ที่วาการอำเภอแต่หลวงพ่อกี่ว่านานแล้วนะ <c oughs> ที่ทางอำเภอของเราที่ท่านนายอำเภอกนกบางปีปีท่านก็ได้ทําบางปีท่านม่ทำคือภาระทุระของทางอำเภอก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่บางปีก็จะอยู่ได้นานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแต่นี่พอมาแล้วก็มีทุระ ทั้งนายอำเภอทั้งหัวหน้าสวนราชการแต่ทางสถานีตํารวจ อ, อันนั้นพอครอบปีคือว่าครบวันตํารวจก็มีการทําบุญเกือบเกือบทุกครั้งที่หลวงพ่อได้มานะแต่ที่ที่วาการอำเภอของเราตาจ้าไม่จริงหลวงพ่อเองตั้งแต่เริ่มแรกนะที่วาการอำเภอนายูงเนี่ย หลวงพ่อได้มาได้มาวางชี่อและเลิกอยู่ในวันนั้นนะถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดชื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้นเรียกว่าท่านจะรวยนะทําไมหลวงพ่อจึงจําท่านชื่อท่านได้เพราะว่าผมนี่ผมจะรวยอยู่นะ <laughs> ท่านว่าจะรวยหลวงพ่อเลยจําชื่ อ, จ ำ, อจำชื่อจำชื่อท่านได้เพราะงั้นนะท่านผูว้ว่าจัลลอยที่มาวางชีละเลิก ในในวันนั้นนะและก็ท่านเจ้าคุณจันท์์เจจคุณันทที่มาเป็นประธานฝ่ายสง์นะแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสวดเช ย, ยังเช ย, ยมงคนคาถาในวันนั้นนะที่มาวางเชลิญเลิกที่วาการอำเภอหลวงพ่อได้มารู้เห็นตั้งแต่ริเริ่มที่วาการอำเภอแต่ตามไม่จริงแต่ตามไม่จริง ถ้าหากว่าให้หลวงพ่ อ, อ, อตั้งที่วการอำเภอนะหลวงพ่อคงจะหันหันหลังใส่สันหันหลังใส่เขานะแล้ะหันหน้าไปสู่ชุมชนนะอันนี้สมัยนั้นดูๆแล้วท่านคิดได้ยังไงผู้ที่มาตั้งที่วการอำเภอหันหน้าเข้าหาภูเขานะเ อ, อหันหลังใส่ชุมชนหลวงพ่อเนี่ยอำเภอนายงมันจึงไม่เจริญนะ <c oughs> <c oughs> เ อ, อ แต่ก็ดีเมื่อการสงบงบเงียบดีนะจะสง บ, งบเงียบดีหลวงพ่อว่านะแต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพออ่ออยู่นอำเภอนายูงของเราถึงจะเป็นำ อ, อำเภอแล็กอำเภออยู่ในธุรกันดารห่างไกลแต่ก็อยู่ในพี่น้องศรัทธาญาติโยมคนในชุมชนอำเภอนายูงนายูงนะก็อยู่ในความสงบ อ, อยู่ในความสงบ ก็ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องราวผวส่วนรัชการทุกหน่วยทุกเราในฐานะที่หลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาโยนอำเภอแต่ก็ไม่ใช่ฝนะ่ า, ายปกครองนะแต่ปกครองก็คือวัดหลวงหลวงพ่อชาลีภู ก, ก้อนเป็นเจ้าคณะอําเภ อ, เอและตั้งฝ่ายนิกายเรื่องฝ่ายวัดบ้านก็นะั้นวัดหลวงปู่เครื่องว่เาเป็น เจ้าคณะอำเภอแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ในอำเภอถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อเคคิดว่าอำเภอนายวงของเราอยู่ในความสงบแต่เสียท่าแต่ยางราคามันตกต่ํำไปสักหน่อยเอยางั้นเถอถ้าหากว่าทางรัฐบาลได้ยินเนีหลวงพ่อว่าน่าจะขอขึ้นสักหน่อยก็ดีเพราะว่ารู้สึกว่ายา ง, งอำเภอนายวงของเรานี่ยตกต่ํา แต่ว่าตะกอนก็เป็นอำเภอที่ว่าอยู่ในถิ่นกันดานแต่พอมาพอมียางขึ้นมาสวนยางขึ้นมาอำเภอนายูงนี่คือว่าไม่แพ้ใครเป็นหนึ่ง เ, เป็นหนึ่งของจังหวัดอุดรเรื่องสวนยางเพราะภูมิทัศน์ภูมิประเทศมันเอื้อทำไมจึงว่าเอื้อเพราะว่าอำเภอนายูงมันมีไม่มีที่ทำน า, ามันเป็นที่เนินที่ดอนที่เนินมากกว่า เพราะนั้นที่จะทำไร่ทำนาเหมือนกับแถบอาําเภอบ้านผือน้ำโสมก็ทำไม่ได้เพราะนั้นจึงได้มีการปลูกท่าว่าปลูกสมัยก่อนกับปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวโอดอพอต่อมาเนี่ยก็พอยางมีราคาขึ้นมาพี่น้องประชาชนก็หันเหมาทางปลูกยางเพราท่านกำนันสสชุรชาติเนี่ยเป็น เป็นกุญแจดอกแรกนะที่ที่แนะนำเรื่องปลูกอย่างหลวงพ่ อ, อยังระลึกถึงบุญคุณอยู่นะสอสอจุรชาติที่ทำให้เขตอำเภอนายูงของเราเนี่ยเจริญขึ้นมาได้อย่างนี้นะท่านอสสเป็นผู้ประเดิมว่าเป็นผู้แนะเอาเ อ, เ อ, อย่างพาราขึ้นมาปลูกจนะากนั้นพี่น้องประชาชนก็ทดลองปลูกก็คือฮากันขึ้นมามาช่วงหนึ่งนะ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 เวลามันขึ้นก็เอาตั ก, เ ต, ก เ, เ, ตเตรียมตัวเอาไว้เวลามันแห้งก็มีนะ อ, อติเลกาลามันเป็นอย่างนี้หละมันมีขึ้นมีลงนะลูกหลานนะลวงพ่ อ, อยังจำคำพูดหลวงพ่อได้อยู่ในช่วงนั้นนะจากนั้นมากระลงตะลุดตลาดตะ ล, ล, ลุดตลาดลงมาจนถึงทุกวันนี้เพราะนั้นผู้ที่เคยได้ราคามันแพงก็เลย เ, เสีย อ, อกเสียใจอยู่ทาไมไม่ขึ้นเหมือนสมัยก่อนโน้อนอันนี้ก็คือ การของชีพของพี่น้องประชาชนลูกหลานแต่ถึงอย่างไงก็ขอให้ท่านนายอำเภอของเราเนี่ยเป็นประมุกเป็นประธาน เ, เป็นล่มโพล่มไสของลูกของหลานของพี่น้องประชาชนก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพออเพราะอำเภอนายุงก็รู้อยู่แล้วเป็นอำเภอที่สุดท้ายปลายแดนแต่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละวัดป่าภูกร์เนี่ยเป็นเครื่องพยุง เออเป็นเครื่องประยงส่งเสริมโลกเป็นเออเป็นฮีโร่ของจังหวัดถ้าจะวาดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันเพราะว่ามีพระพุทธปฏิมาพระชิหาใจญาตภูก้อนถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามถ้าหากว่ามาจังมาถึงจังหวัดอุดรแล้วยังไม่ได้มาถึงภูก้อนแปลว่ามาไม่ถึงเมืองอุดรไงหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะ เ, เพราะนั้นอย่างปันเสาวันาทิตย์พวกเราขึ้นไปดูซิทุกวันนี้นะเออไม่รวด จังหวัดไหนตัวจังหวัดไหนแห่ให้แห่แหกันขึ้นมามากราบพระพุทธปฏิมาที่ภูกอนมาแล้วก็มาเอกอยากจะมาอีกนะเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงคิวต่างประเทศนะต่อไปหลวงพ่อคิดว่าต่อไปชาวต่างชาติต่างประเทศที่ได้เห็นมาพระพุทธปฏิมาแล้วคงจะหลังไงกันขึ้นมาเพราะฉนั้นอำเภอนายูงของเราขอให้พี่น้องลูกหลานทุกคนนะ่ะ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 พ่เข้ามาบางทีเขาเขอมาขึ้นมายังไม่ถึงเขาก็มานพักแวะนอนพักอยู่ตามารีสอร์ทในเขตอำเภอนายูงของเราขอขอให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันชนชุมชนในกลุ่มของเราเนี่ยแหละ เ, เป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลปกป้องพี่น้องประชาชนต่างถิ่นเข้ามาจสู่ถิ่นของเราให้ได้รับความอบอุ่นถ้าหากว่าเขามาได้รับความ อบอุ่นในพื้นถิ่นของเราเราเขาก็จะนะ่ะบอกต่อต่อกันไปปากต่อปากคำต่อคำ<ม>เอ อ, เ อ, อพี่น้องเขาดูแลดีนะผู้ใหญ่บ้านกำรรนันเขาใสา่ใจดเออีเหล่านนะ่ะถ้าว่าพวกเราไม่รักษาไม่ดีนะ่ะถ้ามาแล้วก็เป็นพิษเป็นภยัยมีขโมยโวยโจรในท้องถิ่นของเรา เ, ออเข้ามาทีเดียวเขาก็เข็ดขยาดนะเท่ีเพราะนั้นขอฝากไว้กับออทุกทุกคนนะ่ะ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 และก็พร้อมกันให้พวกเราให้มีศีลมีธรรมนะั่นแหะทุกระดับให้เคารพให้เคารพซึ่งกันและกันอย่างท่านนายอำเภอนี่ถึงจะท่านมีอายุวัยวุชิคุนวฒิของท่านท่านเป็นผู้มีคุณวฒิผู้พวกเราก็ให้ความเคารพตามคุณวชิวัยวชิผู้มีอายุมากเราก็ยกมือไหว้เพราะว่าท่านมีวัยวชนะิคุณวฒิผู้มีอํานาจหรือมี ทำงานราชการเป็นผู้ใหญ่เถึงจะเป็นเด็กเราก็ให้ความเคารพเพราะว่าเป็นขุนนวเออนี่แหละให้รู้จักสรุปแล้วก็คือรู้จักการเทศะการสถานที่บุคคลถ้าว่าพวกเราวางตัวถูกแล้วพวกเราอยู่ด้วยการมากมายถึงขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขนะพี่น้องลูกหลานขนะาราทธารญาติโยมเน้อทางว่าคอเท่าคอนไม้เท่าไม้ไม่มีความเคารพยำเกรงกันเอ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 จะเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในชุมชนสังคมของพวกเราพวกเราก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันนะอะไม่ใช่ว่าเอาเข็งเขามันไม่ดีเข้ามาแล้วก็ เ, เป็นพิษเป็นภัยจากนั้นก็เดือดร้อนนะเดือดร้อนทุกคนอไม่ใช่ว่าเดือดร้อนแต่เฉพาะคนกลุ่มนั้นน ะ, ะคนที่ปลกปิดปกปกิดที่มันไม่ดีเอาไว้นะนะ่ะต่อไปก็เดือดร้อนอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะแต่หลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดแต่จากจะพูดหนย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 สิ่งไหนที่มันไม่ดีก็พยายามบอกกล่าวลูกหลานแนะนำลูกหลานของเราให้เป็นคนดีเนะ้ออย่าไปคิดทำนะลูกหลานนะอันตรายน่ถ้ามองไปมันเป็นพิษภัยต่อไปภายภาคหน้าแต่คิดสนุกสนานแต่ในขณะที่นี่แหละแต่มันเป็นพิษภัยต่อไปภายภาคหน้านะถ้าว่าเกิดขึ้นอยู่ในชุมชนของเรานะเนี่ยเป็นยังไงใครใครก็ไม่พึงปาถนาอยู่กับลูกหลานของใครถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วนะ เพราะฉะนั้นขอให้ดับไฟแต่ต้นลมดับไฟแต่ที่แรกจะดีกว่าน้าหลูกหลานหน้าเนี่ยน่าจะช่วยบอกกล่าวกันนะหลวงพ่อนีนพอน่พูดในฐานะเป็นหลวงปู่หลงตาเนี่ยหลวงปู่หลงตาอยู่ในชุมชนของพวกเราหลวงพ่อเป็นห่วงเหมือนกันนะหลูกหลานนะต่อเ น, นี่ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในที่นี้นะเนพราะฉะนั้นขอให้กวดนะ้ำวัตถิส่วนกุศลต่อผู้มีอุปคระคุณต่อภูมิเจ้าที่นะ